ทิฏกถาว่าด้วยสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้471สกสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้แจกเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ไม่ใช่หรือปรอใช่สก หากสภาวะธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้จัดเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวะธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวะธรรมบางเหล่าไม่มีสกจากขายาตนะสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรสงเคราะห์เข้าในรูปขันสกหากจากขายาตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขัน ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจากกายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปขันสกโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะสงเคราะห์เข้าในขันไหนบรสงเคราะห์เข้าในรูปขันสกหากายายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายายตนะสงเคราะห์เข้ากับรูปขัน สกรูปายตนะสาธายตนะขันธายตนะรัายตนะโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรสงเคราะห์เข้าในรูปขันสกห้ากโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปขันสกสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันไหน ปรสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันสกหากสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสุขเวทนาสงเคราะห์เ ข, ข้าได้กับเวทนาขันสกทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรสงเคราะห์เข네้าในเวทนาขันสกหากอาทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขัน ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาทุขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าได้กับเวทนาขันสกสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันสกหากสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากจักขุสัมผัส สงเคราะห์เข้าได้กับสัญญาขันสกสัญญาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันสกหากสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสัญญาขันสก เจตนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันไหนบรสงเคราะห์เข้าในสังขารขันสกหากเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสังขารขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเจตนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสังขารขันสก จกคุวิญญาณมโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าในขันไหนปอรรสงเคราะห์เข้าในวิญญาณขันสอกอหากมโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าในวิญญาณขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ามโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าได้กับวิญญาณขัน472ปอรรสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเหมือนอย่างคู่โคล ร, ริพัท เขาร้อยไว้ด้วยสายทามหรือเชือกเหมือนบินทบาทเขาแขวนไว้ด้วยสาแหลกหรือเหมือนสุนัขเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุน <haz ai Nelson> ัขสกหากคู่โคภริพัฒน์เขาร้อยไว้ด <separ ams S 2> ้วยสายทามหรือเชือกบินทบาตแขวนไว้ด้วยสาแหลกหรือสุนัขเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุนัขดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมบางเหล่าสงเคราะห์เข้าได้กับสภาวะธรรมบางเหล่ามีอยู่ สังหิตาคาถาจบ 2. ส, สัมปยุตตาคาถาว่าด้วยสัมปยุตตาธรรม473 ส, ส, ส, มสกสภาวธรรมบางเหล่าที่สัมปยุต ด, ด้วยสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สกสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมระคนเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกัน มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวะธรรมบางเหล่ามีอยู่ไม่ใช่หรือปรอใช่สกหากสภาวะธรรมบางเหล่าที่สหระคตเกิดร่วมระคนเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวะธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมบางเหล่าที่สัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมบางเหล่าไม่มีสก เวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ใช่ไหมปรใช่สกหากเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเวทนาขันสัมปยุทธ์ด้วยสัญญาขันสกเวทนาขันเกิดร่วมกับสังขารขันและวิญญาณขันได้ใช่ไหมปรใช่สกหากเวทนาขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเวทนาขันสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณขันสกสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเกิดร่วมกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันได้ใช่ไหมปรใช่สกหากวิญญาณขันเกิดร่วมกับสังขารขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณขันสัมปยุทธ์ด้วยสังขารขัน สี่เจ็ดสิบสี่ปรสภาวธรรมเหล่านั้นแทรกซึมอยู่กับสภาวธรรมเหล่านั้นเหมือนน้ํามันซึมซับอยู่ใ น, มนเมล็ดงาน้ําอ้อยซึมซับอยู่ในต้นอ้อยใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสัมำยุตตกถาจบสเจตสิก ก, ะ, กะถาว่าด้วยเจตสิกสี่้อยจ็ดสิบห้าสก สภาวธรรมที่เป็นเจตจสิกไม่มีใช่ไหมป ร, รใช่สกสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมรัคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตมีอยู่ไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกหากสภาวธรรมบางเหล่าที่สหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุต เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีสกผัสสะเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมปอรอใช่สอกอหากผัสสะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าภัสสะเป็นเจตสิกสอกอ เวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะอนโนตปะเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมปอรอใช่สอกอากอนโนตปะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอนโนตปะเป็นเจตสิก476ปอรรเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิต จึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมสกใช่ปรเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับปัสสะจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นผัสสิกะใช่ไหมสกใช่ปรเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิตจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมสกใช่ปรเพราะท่านเข้าใจว่า สภาวธรรมเกิดร่วมกับเวทนาเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับเจตนาเกิดร่วมกับศรัทธาเกิดร่วมกับวิริยะเกิดร่วมกับสติเกิดร่วมกับสมาธิเกิดร่วมกับปัญญาเกิดร่วมกับราคะเกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับโมหะเกิดร่วมกับอนุตตรปะจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นอนุตตรปาจิกกาใช่ไหมสขใช่สี่้ยเจ็สิบเจ สกสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจิตนี้และสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกย่อมปรากฏแก่ผู้รู้แจ้งชัดแล้วโดยความเป็นอนัตตาครั้นรู้ชัสภาวะธรรมทั้งสองนั้นทั้งที่หยาบและประณีตจึงเป็นผู้มีความเห็นโดยชอบทราบชัดว่ามีความแตกดับเป็นธรรมดามีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปอรอใช่สกดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงมีอยู่สกสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเจวตาพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมทายจิตทายเจตสิกทายวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นๆของบุคคลอื่นๆว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรอใช่สกดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกยังมีอยู่เจตสิกะกถาจบสี่านกถาว่าด้วยทานสี่้ยเจ็ดสิบแปดสกสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมปรใช่ สกจะให้สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจะให้สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรอใช่สกจะให้ภาษะแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจะให้เวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญาแก่คนอื่นๆได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น479ปรท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรท่านมีผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกรรมไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปร ทานมีผลหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือสอกอใช่ปรหากทานมีผลหน้าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้สก ทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลหน้าปรารถนาจีวรเป็นทานใช่ไหมปอรอใช่สอกอจีวรนมีผลหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นคำไรมีสุขเป็นวิปากใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลหน้าปรารถนาบินทบาทเสนาชนะ คิฬานปัจจัยเพศบริขารเป็นทานใช่ไหมปรใช่สกคิฬานปัจจัยเพศบริขารมีผลหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกรรมไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี่ร้อยแปดสิบปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทำเหล่านี้คือสัทธา ทิริและทานที่เป็นกุศลอันสัพ ป, ปรุษดำเนินตามแล้วสัพ ป, ปรุษทั้งหลายกล่าวว่าทำสามประการนี้เป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะทำสามประการนี้แลบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรอดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นทานได้ปรอท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหม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 ทานห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์อริยสาวกผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์แล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัใ ย, ยให้ความไม่มีเวร ใ, ให้ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนอันไม่มีประมาณ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 สอริยสาวกเป็นผู้ล่าเว้นขาจากการรับทรัพย์ 3. อริยสาวกเป็นผู้ล่าเว้นขาจากการประพฤติผิดในกาม 4. อริยสาวกเป็นผู้ล่าเว้นขาจากการพูดเท็จ 5. อริยสาวกเป็นผู้ล่าเว้นข่าจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอริยสาวกผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย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 ปรดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นฐาน481สกท่านไม่ยอมรับว่าทายธรรมเป็นทานได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รใช่สกดังนั้นทายธรรมจึงเป็นทานได้482ปรทัยธรรมเป็นทานได้ใช่ไหมสกใช่ปรทายธรรมมีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นคำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปอรอทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาจีวรนเป็นทานใช่ไหมสอกอใช่ปอรอจีวรมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาบินดาบ เสนาสนะคีลานปัจจัยเพศสับริขารเป็นทานใช่ไหมสกใช่ปรคีลานปัจจัยเพศสัตบริขารมีผลหน้าปราถนาหน้าใกล้หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทายธรรมเป็นทานได้ ทานกาถาจบห้าบริโภคมยบปุญญะถาว่าด้วยบุญสำเร็จด้วยการบริโภค483อปสบสกบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรอใช่สกภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ที่สําเร็จด้วยการบริภโภคเจริญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สกจเจริญได้เหมือนเถาวัลย์เหมือนเถ า, า, าย่านทายเหมือนต้นไม้เหมือนหญ้าเหมือนกองหญ้าปล้องใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น484สก บุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมป ร, รใช่สก้ายกถวายทานแล้วไม่ใฝ่ใจทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมป ร, รใช่สกทานของผู้ไม่นึกถึงผู้ไม่ขนขวายผู้ไม่สนใจผู้ไม่ใฝ่ใจผู้ไม่จงใจผู้ไม่ต้องการผู้ไม่ปรารถนาะเป็นบุญใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกทานของผู้นึกถึงผู้ขนขวายผู้สนใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญไม่ใช่หรือปรใช่สกหากทางของผู้นึกถึงผู้ขนขวายผู้ใส่ใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้485สกบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรใช่สกถ้ายกถวายทานแล้วตรึกถึงการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีศูนย์เปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 นี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งสองฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สองสจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สามสี่ธรรมของสัตว์ุรุษคนดีกับธรรมของสัตว์รุษคนชั่วนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สี่พิสุททั้งหลาย สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้แลนักปราทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฝั่งทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบันเดกกล่าวว่าท่ามของสัตว์ุรุษกับท่ามของอสัตว์ุรุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้นสมาคมของสัตว์ุรุษยั่งยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของอสัตว์ปรุษย่อมเจือแจงเร็ว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 ปรท่านไม่ยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีประภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันรื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นดารงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมเป็นผู้ไปสู่สวรรค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรอดังนั้นบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจึงเจริญได้ปรอท่านไม่ยอมรับว่าบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกือกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 2. ภิพิุฉชั้นบินทบาทของทายกใดและถึงสภิพิุใช้สอยใสายนาสนะของทายกใด 4. ภิพิุบริโภคคีรานุปัจใจเพศปริคารข อ, ของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่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 น่าใคร่น่าพอใจมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคจึงเจริญได้487สกบุญที่สําเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปอรอใช่สกถ้ายกถวายทานปฏิคาหกรับทานแล้วไม่บริโภคทิ้งเสียสละเสีย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 เมื่อปฏิคาหกรับทานแล้วพระราชาทรงริบไปเสียโจรลักไปไฟหไหม้น้ำพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักกันนำไปเสียทานนั้นเป็นบุญชใช่ไหมปรใช่สกาหากทายกถวายทานเมื่อปฏิคาหกรับทานแล้วพระราชาทรงริบไปเสียโจรลักไปไฟไหม้น้ำพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักกันนาไปเสีย ทานนั้นเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้บริโภคามายบุญญากถาจบหกอิโตทินประถาว่าด้วย ทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้488สกเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตตาโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมปรใช่สกในเปตตาโลกนั้นเปรตทั้งหลายใช้สอยจีวรที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเปตตาโลกนั้น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 สุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลหนึ่งกระทาอีกบุคคลหนึ่งเสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 489. ปรท่านไม่ยอมรับว่าเปรทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกใช่ปรเปรทั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตน ทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปิติได้โสมนัสไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหาเปรททั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตนทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปิติได้โสมนัสดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเปรททั้งหลายดำรงชีพในเปตรตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้4เกสบปร ท่านไม่ยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกใช่ป ร, รพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฝนที่ตกลงบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่เทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแต่พวกเปรตชั้นนั้นเหมือนกัน พ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุมดสาครให้เต็มเปี่ยมชั้นใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแต่พวกเปรตชั้นนั้นเหมือนกันในเปตะวิสัยนั้นไม่มีกระสึกรรมโครักะกรรมพานิชยกรรมเช่นนั้นและการแลกเปลี่ยนเสื้อขายด้วยเงินผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตะวิสัยนั้นดารงชีพ ด, ด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นเปรทั้งหลายจึงดํารงชีพในเปตตาโลกนั้นด้วยฐานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้สี 91, ่เก้าสบอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าเปรทั้งหลายดํารงชีพในเปตตาโลกนั้นด้วยฐานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะห้าประการนี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะห้าประการจรึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงเราจากช่วยทํำกิจของเราวงตระกูลจะดํารงอยู่ได้นานจากปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจะทําบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตว์บรุษผู้สงบเป็นกตัญยูกะตะเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านทีนท่ทําไว้ต่อเราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทํากิจของท่านเชื่อฟังโอวาทตอบสนองพระคุณท่านดํารงวงตระกูลสมกับที่ท่านเป็นบุปการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นเปรตทั้งหลายชื่อว่าย่อมดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้อิโตทินนะกถาจบ 7. ปัปทวีกรรมวิปากโกติกถาว่าด้วยแผ่นดินเป็นกรรมวิปา49ก492สกแผ่นดินเป็นกรรมวิปากใช่ไหม ปรใช่สกแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยภาษะสัมปยุทธ์ด้วยเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสัญญาสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสัมปยุทธ์ด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจ มีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอุทุกขมสุขเวทนาไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาไม่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาไม่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะไม่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนาไม่สัมปยุทธ์ด้วยสัญญา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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพันดินเป็นกรรมวิบากสกอภาษะเป็นกรรมวิบากภาษะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมพยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมพยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาสัมพยุทธ์ด้วยภาษะสัมพยุทธ์ด้วยเวทนาสัมพยุทธ์ด้วยสัญญาสัมพยุทธ์ด้วยเจตนาสัมพยุทธ์ด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้ มีความนึกถึงมีความตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรใช่สกแผ่นดินเป็นกรรมวิบากแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาสำปยุทธ์ด้วยพัสสะสัมปยุทธ์ด้วยเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสัญญาสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสัมปยุทธ์ด้วยจิต รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแผ่นดินเป็นกรรมวิบากทั้งๆที่แผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหม ปรใช่สกภสษะเป็นกรรมวิบากทั้งทั้งที่ภาษาไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปรใช่สกแผ่นดินเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษ เข้าถึงการตัดและการทำลายใช่ไหมป ร, รใช่สกกรรมวิบากเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษเข้าถึงการตัดและการทำลายใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแผ่นดินบุคคลจะซื้อจะขายจะจำนองจะรวบรวมจะสังสมได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกกรรมวิบาก บุคคลจะซื้อจะขายจะจำงจะรวบรวมจะสังสมได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น493สกแผ่นดินเป็นสมบัติทั่วไปแต่คนเหล่าอื่นใช่ไหมปอรใช่สกกรารมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแต่คนเหล่าอื่นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กรร ม, มวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าขุมทรัพย์คือบุญไม่ทั่วไปแก่คนอื่นโจรลักไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาพึงทําบุญผู้นั้นแหลพึงประพฤติสุจริตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า กรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปใส่คนอื่นสกแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปรใช่สกแผ่นดินเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในภายหลังใช่ไหมปรใช่สกวิบากเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงทำกรรมเพื่อวิบากในภายหลังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก แผ่นดินเป็นกรรมวิบากของสัพสั์ใช่ไหมปรใช่สกสรพสั์อาศัยแผ่นดินใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสรพสัดอาศัยแผ่นดินใช่ไหมปรใช่สกสัตว์บางพวกอาศัยแผ่นดินแล้วปริญพานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์บางพวกใช้กรรมวิบากยังไม่หมดสิ้น แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของพระเจ้าจากาักรพรรดิใช่ไหมปรใช่สกสัสตว์เหล่าอื่นก็อาศัยแผ่นดินใช่ไหมปรใช่สกสัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจากาักรพรรดิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมปรใช่สกสัตว์เหล่าอื่นอาศัยผัสนาเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔94ปรท่านไม่ยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหม สกใช่ปรกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิปาภปัทวีกรรมวิปาโกติกถาจบแปด ชารามรณะวิปากโกติกถาว่าด้วยชรามรณะเป็นวิบาก495สกชรามรณะเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกชรามรณะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอะทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยอะทุกขมสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยภาษะ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 มีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกชรามรณะเป็นวิบากชรามรณะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะเป็นวิบากชรามรณะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึง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 ปรใช่สกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เป็นวิปากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งสภาวาธารรมที่เป็นกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิปากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมป ร, รใช่สกชรมารมรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีอยู่ ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นวิปากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ชราโมรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรใช่สกชราโมรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล เป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมปรใช่ สกชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิปากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น497ปรท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิปากใช่ไหมสกใช่ปรกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันธุ์มนหมอง กรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรหากกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันธมนมองกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิบากชรามรณงวิปลากโกติกถาจบเก้าอริยะธรรมวิปากกถา ว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม498สกวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สกความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพรามมีผลมากไม่ใช่หรือปรใช่สกหากความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพรามมีผลมากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มี สอกอวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปรใช่สอกอโซดาปฏิผลมีอยู่มิใช่หรือปรใช่สอกอหากโซดาปฏิผลมีอยู่ท่านก็มิควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มี ส, อกอสกสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลมีอยู่มิใช่หรือปรใช่สอกอ หากอรหัตผลมีอยู่ you, ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกโซดาปฏิผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกพ้นแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซดาปฏิผลไม่เป <ishing draw wh ungs everyday> ็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกพ้นแห่งศีลผลแห่งภาวนาไม่เป็นวิบากใช่ไหม ปร outh. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสกทาคามิผลอนาคามิผลอรอ yes หัตผลไ <implemented roz ide an> ม <an> ่เป <le> yes'. ็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกผลแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรหัตผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาไม่เป็นวิบากใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผลแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลเป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผลแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลเป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรใช่สกสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สี่เก้าสิบเก้าสกปามาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมปรใช่สกโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโลกุตรักุสลไม่มีวิบากใช่ไหมปรใช่สกการมาวจรกุกลสกกกลไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลกุตรักุสลไม่มีวิบากใช่ไหมปรใช่สกรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุสลไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อย ปรกลางวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกใช่ปรโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรอรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหม สอกอใช่ปรโลกุตรากุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรโลกุตรากุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกใช่ปรกามาวจรกุสนมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปอรอโลกุตระกรุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกใช่ปอรอรูปราวจรกุศลอรูปราวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอริยธรรมวิปากะกะถาจบสิวิปากโกวิปากธรรมะธรรมโมติกถา ว่าด้วยวิปากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากห้าร้อยหนึ่งสกวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากใช่ไหมปรใช่สกวิปากแห่งวิปากนั้นเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิปากแห่งวิบากนั้นเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากใช่ไหม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 สภาวะธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากและวิบากสหรคตเกิดร่วม ร, ระคนสัมพยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิบากเป็นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากใช่ไหมปอรใช่สอก อ, อกุศลกับวิบากแห่งอกุศลเป็นอันเดียวกัน กุศลกับวิบากแห่งกุศลเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิบากเป็นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรใช่สกบุคคลถูกมาอยู่ในนรกด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุฆ่าสัตว์เท่านั้นบันเทิงอยู่ในสวรรค์ก็ด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุให้ทานเท่านั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสองปร ท่านไม่ยอมรับว่าวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมสออกอใช่ปอรอวิบากคืออรูปขนันธ์สี่เป็นอัญญามัญญะปัจใจไม่ใช่หรือสออกอใช่ปอรอหาวิบากคืออรูปขนันธ์สี่เป็นอัญญามัญญะปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก วิปากโกวิปากธรรมธรรมโมติกถาจบสัตมวัฏจบรวมกถาที่มีในวรัก์นี้คือหนึ่งสังหะตกะถาสองสัมบยุตตกะถาสเจตสิกกะถาสทานกะถาหปริโภคมยปุญญกถา 6. อิโตทินะกถาเจปัทวีกรรมะวิปากโกติกะถา 8. ปชรามรณังวิปากโกเิกถาเก้าอริยธรรมวิปากกถาส0วิปากโกวิปากะธรรมธรรมโมตเทตกถา